พระบัญญัติ29รอก็ภิกษุใดถูกราคะครอบงำแล้วมีจิตแปรปรวนกล่าวสรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อหน้ามาตูคำด้วยคำที่พาดพิงเมทุนว่าน้องหญิงหญิงใดบำเรอผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเช่นเราด้วยธรรมนั้นการบำเรอนี้ของหญิง นั่นเป็นการบำเรอรชั้นยอดเป็นสังฆาทิเศษเรื่องพระอุทายีจบ